บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันนี้นอกจากจะเป็นวันบำเพ็ญจิตภาวนาตามปกติในวันเสาร์แล้วทางเจ้าประคุณสมเด็จต้องการจะให้เป็นวัน ความเพนจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีซึ่งจะมีในวันที่21ข้างหน้านี้ดังนั้นในที่นี้จึงจะได้กล่าวธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของราชาคือผู้ที่ทำให้ประชาชนมีความชื่นชมยินดี ที่เรียกันโดยทั่วๆไปว่าทศพิตราชธรรมซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสีประการแต่ว่าสี่ประการข้างต้นห้าประการข้างต้นนั้นได้เคยกล่าวมาแล้วเมื่อปีก่อนในที่นี้จะได้กล่าวห้าข้อข้างหลังที่เริ่มด้วยตะปะคำว่าตะปะนั้นแปล ว, ว่าความเพียร ที่เป็นไปทั้งทางกายและเป็นไปทางจิตอย่างแรงกล้าโดยความหมายในชั้นปฏิบัติกรรมาฐานแล้วหมายถึงความความเพียรพยายามที่จะละที่จะบรรเทาที่จะระงับที่จะดับกรรดากิเลส ท, ทั้งหลายให้เบาบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในชั้นของการปฏิบัติทั่วไปนั้น หมายถึงความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติภารากิจการงานตามฐานะตามหน้าที่ของตนด้วยความหมั่นขยันด้วยความเอาจริงเอาจังการทำงานสำหรับตนเองของบุคคลแต่ละคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำงานด้วยความเพียรพยายาม ลักษณะของคนที่ทำความทงานด้วยความเพียรพยายามนั้นได้แก่คนซึ่งทำงานอันเป็นภาระหน้าที่ประจำในแต่ละวันให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ในชีวิตของบุคคลเรานั้นไม่ใช่มีงานประจำเพียงอย่างเดียวบางครั้งบางคราวก็มีงานจอนเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นนั้นมาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงสอนให้ทำงานจรเหล่านั้นให้สำเร็จไปได้ด้วยเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วจะเกิดเป็นอัปมงคลในการทำงานของบุคคลเหล่านั้นทั้ง น, นี้เพราะในมงคลลสูตรทรงแสดงว่าการงานที่ไม่คั่งค้างอากลเป็นอุดมมงคลแต่เมื่อเมื่องานมีสองงานขึ้นมาในลักษณะนี้ การปล่อยให้งานข้างๆเอาไว้วก็กลายเป็นหนับประมงคนสมบุคคลนั่นเมื่อมีงานสองลักษณะเช่นนี้เราทรงสอนให้ทำงานนั้นอย่างเอาจริงเอาจังเวลาทรงแสดงในแนวการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นความเคลื่อนไหวในการใช้ความเพียรพยายาม โดยทรงแสดงว่าถ้าจะทำการงานอันใดก็ให้ทำการงานนั้นอย่างเอา จ, จิงเอาจังจะต้องบากบานมันพยายามกระทำในการงานนั้นให้สาเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรอยู่ก็ตามนั้นตะบะคือความเพียรบางครั้งจึงใช้คำว่าวีรยะที่แปลว่าความกล้าหาญ จะต้องไม่หวาดวันต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายซึ่งข้อนี้ถ้าผู้ปฏิบัติมองอีกฝากหนึ่งอีกต้านหนึ่งของความเพียนพยายามก็คือความเกียรติครานความเกียรตครานนั้นได้แก่อาการนั่งใจะในที่ตั้งยืนใจะในที่ยืนนอนใจะในที่นอนเป็นคนบิดขี้เกียจบิดเบือนอ้างเล่ดด้วยประการต่างๆ อ้างหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่เป็นต้นตลอดถึงน้าท่วมฝนตกได้เป็นเหตงุงดเว้นไม่กระทำการางานซึน่งการอ้างได้ในลักษณะนั้นแสดงให้เห็นถึงความย่อหย่อนในความเพียรพยายามเพราะแท้ที่จริงโลกนั้นก็มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่จะมากหรือน้อยก็ตามถ้าฝนตกมาก น้ำไม่ท่วมนั้นเป็นเรื่องผิดปกติแต่ฝนตกหน้ามากแล้วน้ําท่วมเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ลูกพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนั้นการให้ความสําคัญแก่เรื่องเหล่านั้นจนอ่อนไหวหวั่นไหวลดละมานะพยายามที่จะทําการงานเป็นการสะท้อนใ้เห็นถึงความเพียรที่ย่อหย่อน ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นความเพียรบางครั้งจึงใช้อีกคำหนึ่งว่าความพยายามความบักบันความมั่นเป็นนิดความลุกขึ้นทำการงานเป็นอาการของความพร้อมที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจในส่วนของร่างกายนั้น บางครั้งบางคราวก็อ่อนแอไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยวัยที่ชราลงเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจที่มีความแข่มแข็งก็สามารถจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้แต่นั้นเรื่องความเพียรพยายามจึงเน้นไปที่จิตใจเป็นประการสำคัญผู้ปฏิบัติจะต้องเพิ่มพูนให้สูงขึ้น จนสามารถขจัดสิ่งที่เรียกว่ามหาโกสชะคือความเกียดคร้านขนาดใหญ่ความเกลียดคร้านขนาดใหญ่นั้นบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าบุคคลไม่ใช่ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็จะหลงทางในการปฏิบัติได้เพราะแกจะออกมาในรูปของความเงืงอนไขความละมุนละไมความเป็นมิตร ความควงใหญ่อาทรต่อบุคคลเหล่านั้นเช่นปราบ ก, การทำงานที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกิเลสประเภทปะหาโกเสชะคือความเกียดคร้านใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขเข้ามาต่อรองแนะนำให้มีการลดจอนผ่อนปรนเพื่อไม่ต้องจัดไม่ต้องทำไม่ต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้จะ กระทำจัประพฤติปฏิบัติเจนจะนั่งกรรมฐานก็ต่อรองเป็นนอนกรรมฐานจะไหวพระสวดมนต์โดยพิสดานต่อรองเป็นนำโอษสามจบก็ขอเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ทั้งแล้วแต่เป็นเรื่องของความเกียรครคันที่แฝงตัวมาในความเป็นมิตรหรือบางครั้งในการดํารงชีวิตของบุคคลนั้นจะพบว่า ที่จริงเวลาโอกาสในการจะทำความเพียรพยายามในหน้าที่การงานนั้นๆก็มีอยู่แต่เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเอื้อมหน่วยให้คนสามารถอ้างภาระมากกิจมากตุระมากแล้วงดเว้นไม่ทำการงานเหล่านั้นถ้าก็มองย้อนวิเคราะห์ไปแต่ละวันแต่ละเวลาที่ผ่านมานั้น แต่พระบาทแท้จริงแล้วมีช่วงว่างอยู่ซึ่งอาจจะว่างอยู่ตั้งหลายชั่วโมงอาจจะถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออาจสามชั่วโมงก็มีต่เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้เคยอ้างมาแล้วก็สำเร็จรับความเห็นใจรับความเข้าใจจากบุคคลอื่นก็นำเงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปอ้างยิ่งในสภาพแวดล้อมชีวิตปัจจุบันแล้ว อาจจะอ้างเอาน้าท่วมอาจจะอ้างรถจิตอาจจะอ้างรถเสียไปต้นแล้วทำการงานนั้ น, น, นไม่สำเร็จไม่ได้รับความเห็นใจความเข้าใจจากบุคคลอื่นก็ใช้เป็นเงื่อนไขอ้างต่อไปโดยบุคคลไม่รู้ตัวว่านั่นถูกครองด้วยบ่วงมารไปตั้งนานแล้วมารกำลังจะปลุกมัดรัดเรองเอาไว้ และในที่สุดก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของมนันความเพียรที่ใช้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติทางจิตจึงต้องเป็นความเพียรที่มีกําลังในการขาจัดความเกียรตคร้านในรูปที่เห็นได้ชัดความเกียดคร้านในรูปที่สร้างเงื่อนไขและความเกียรตคร้านในรูปที่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้เห็น ให้ออกไปจากจิตแสันดานจนจิตใจมีความอิสระแก่ตนเองคือเข้าถึงความเป็นใหญ่ในด้านใช้ความเพียรพยายามพร้อมที่จะอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัดสินอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความเพียรพยายามให้ตกไปจากจิตได้นี่คือตะบะในชั้นส่วนตัวเอง แต่ตะบะในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเดชนในการดำรงชีวิตของบุคคลซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายนั้นราชธรรมคือธรรมะของราชาของผู้เป็นหัวหน้าของผู้ใหญ่ของผู้ที่ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีแก่บุคคลอื่นนั้นไม่ได้ใช้ พระคุณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้พระเด็ชเป็นซึงหมายความว่าในคราวใดควรจะแข็งก็แข็งในคราวใดควรจะอ่อนก็อ่อนหลักเหล่านี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะของาศสาสตราผู้เอนดูสัตว์โลกพระโบราาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า เป็นอนุตโรปริษตามสารถิเป็นสารถผู้ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถอื่นจะยิ่งไปกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถาเดวะมนุสสานังคือเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุตคุณทั้งสองบทนี้ในด้านของผู้ฝึกปรืออบรมนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนในชั้นของการประพฤติปฏิบัติชั้นระเบียบปินหนโดยทรงแสดงว่าดูก่อ น, อนุนเราจะกระนาบแล้วกระนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไป นี้เป็นพระพุทธดํารัสที่ตรัสเฉพาะคนซึ่งปฏิญาณตนเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องมีมาตรการในการควบคุมบังคับบัญชาความประพฤติของบุคคลเหล่านั้นเพื่อตัวของเขาเองเพื่อหมู่คณะที่เขาเข้ามาเป็นสมาชิกดังนั้นหลักการในการใช้พระเดช จ, จึงใช อย่างยุติด้วยเหตุผลและความดีซึ่งข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีแนงแนวในการประพฤติปฏิบัติสองแนวคือตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อมีการกระทําที่ควรตำหนิยกจ้องคนที่ควรยกจ้องเมื่อมีการกระทําที่ควรยกจ้องคือเพ่งพินิษฐดูที่กรรมได้ แ, แก่การกระทําของบุคคลแต่ละคน การกระทาจะเป็นตัวแปรให้เกิดการยกจ่องหรือการตำหนิตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นดังนั้นหลักการใช้ประเด็จเพื่อกำราบเพื่อปราบปรามเพื่อสร้างสารรบุคคล น, นั้นให้เป็นคนดีจึงเป็นกรณิยะเป็นภาระเป็นหน้าที่ของผู้เป็นใหญ่เป็นประธานรือเป็นประมุขในสถานที่นั้นนั้น นั่นแท้จริงหลักการเหล่านี้ก็ต้องใช้ตั้งแต่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันย่อยที่สุดภายในสังคมเป็นต้นไปหลักการปฏิบัติเหล่านี้จึงมีใช้ในระดับต่างๆตั้งแต่ความเพียรพยายามในการทำงานของตนตามฐานะตามอาชีพแล้วก็สอบขึ้นไปโดยลาดับทั้งเป็นการใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเป็นระบบการพัฒนาชีวิตควบคุมชีวิตของตัวเองในการใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของคติได้แก่ความอดกลั้นหรือความทนทานเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติซึ่งว่าที่จริงก็เป็นก็ปฏิบัติที่สนับสนุนกันเพราะความอดทนนั้นจะห้ามไม่ให้เกิดความผุนพลันความลุกแก่อำนาจของอารมณ์เวลาประสบกับสิ่งต่างๆชีวิตของบุคคลเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องอดทน เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสิ่งที่ผ่านมาโดยธรรมชาติในฝนตกหนักน้ำท่วมแดดออกจัดหรือความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติการประสบภัยเหล่านี้ไม่ใช่ประสบเฉพาะเรา ปรกตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาแล้วแต่เมื่อมองในแง่ของการเทียบเคียงก็จะพบว่าในบางส่วนของโลกนั้นน้ำท่วมคนตายกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆแต่ว่าในบ้านในเมืองเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเมื่อเทียบเคียงกับคนอื่นแล้วเราก็มีบุญมากเีเดียวที่ไม่ถูกภัยธรรมชาติคุกคามจนรุนแรงขนาดนั้น เมื่อคิดได้เมื่อมองได้ก็จะก่อให้เกิดเป็นความอดทนที่จะต้องยืนหยัดสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะร้อนจัดจะฝนตกจะน้ําท่วมหรือจะแผ่นดินไหวแผ่นดินสรุดเป็นต้นเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่จะอ่อนไป ไปตามสิ่งเหล่านั้นอิประการเหนื่อคือความเหนื่อยยากลำบากจากตรามในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆวิธีชีวิตของบุคคลเรานั้นไม่ได้ปูราดด้วยกรีบกรุ่นอย่างสัานวนที่พูดกันแต่บนเส้นทางที่ใช้ความเพียรพยายามไปนั้นบุคคลจะต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความเหนื่อยยากในการปฏิบัติกิจการงาน ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้ในขณะที่นั่งสมาธิเวลาผ่านไปนานข้าวก็ปวดเมื่อยประสบทุกขเวทนาซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยขันติอาศัยความเพียรที่จะยืนหยัดที่จะทําให้ได้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในส่วนกายและส่วนใจของตนเองมีประการหนึ่งคือส่วนที่เกิดขึ้น มาจากปัจจัยภายในเองในโใครคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นต้นก็สรุปว่าส่วนที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายในทางที่ไม่ปกติคือความเสียดุลในเรื่องาธาตุต่างๆเป็นต้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องอดทนอีกหนึ่งคือถ้อยคำว่าจะเป็นคำตาหนิคำด่าว่าคำสาสยร้ายคำนินทา มีการขยายความเสริมความของบุคคลอื่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยคนเราได้ยิ่งขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วแล้วก็ถูกลมแรงขึ้นการพูดจาถึงของบุคคลต่างๆก็จะมากขึ้นแล้วคำพูดที่ไร้สาระก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่บุคคลไปใส่ใจไปให้ความสำคัญแก่ตอยคาคำพูดของบุคคลประเภทนั้น ในที่สุดก็จะเสียหลักในการทำงานจับทิศทางในการดำเนินชีวิตไม่ได้ก็ต้องใช้ความอดทนแม้ในายามที่เผชิญหน้ากับอารมณ์ซึ่งกระแทกกระทันก็ให้เกิดความเจ็บใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่าขันติเป็นตะปะธรรมอย่างยอดเยี่ยมเป็นเครื่องระดับของนักปฏิ เป็นกำลังของผู้ภาคเพียรคนที่มีคันติจึงเป็นที่รักที่เคารพของบุคคลทั้งหลายคันตินอกจากจะเป็นราชธรรมแล้วยังเป็นบารมีธรรมที่จะขัดเกลาบรรดาอากุศลบาปกรรมต่างๆให้เบาบางลงไปจา ก, กจิตสันดานของตน พอได้ฐานสองฐานนี้แล้วก็ออกมาในรูปของอวิโรธนะอโกทางคือไม่โกรธคนที่มีความเพียรและมีความอดทนเป็นฐานใจเวลาประสบการกระแทกกระทันจากภายนอกอก็จะไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ลดนั้นความไม่โกรธก็เกิดขึ้น ที่จริงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยซ้าไปเป็นไปาตามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆไป น, นั้นมากกว่ากุศลลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วกุศลลธรรมเหล่าอื่นที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นประการต่อไปก็คือเป็นเรื่องของจิตใจ ที่ทรงใช้คำว่าอาวิหิงสัญจะคือไม่รู้สึกเบียดเบียเนเป็นฐานของใจที่ได้รับการขัดเกลามาจากข้างต้นโดยดําดับด้แก่การให้ทานการรักษาศีลการบริจาค ก, การประพฤติตนตรงและความเป็นผู้อ่อนโยนห้าข้อข้างต้นซึ่งเหล่านี้อาจต้องอาศัยความเพียรกับความอดทนเป็นฐานสร้างขึน้น สร้างขึ้นก็แสดงออกมาได้ด้วยความไม่โกรธความไม่โกรธเกิดขึ้นจากการกระทบอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจากข้างนอกแล้วไม่โกรธข้อต่อไปกลายเป็นอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนอวิิงสานั้นเป็นพื้นจิตที่ออกจากข้างในไปหาข้างนอกได้แก่ความรู้สึกนึกคิด ต้องการเห็นความพินาศความเดือดร้อนความผิดปัดเกิดขึ้นกับ ค, คนอื่นอิดอิดความโกรธเกิดขึ้นเพราะไม่ชอบแต่ความเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะความหลงเป็นบิญยาณหรือโกรที่สิงอยู่ภายในใจของบุคคลซึ่งข้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาวิหิงสานั้นถูกกดพับไว้ด้วยสภาพแวดล้อมบ้าง ด้วยเงื่อนไขาทางกฎหมายบ้างใน ม, มาตรฐานทางศีลและความสำนึกต่างๆที่ยุติโดยเหตุผลและความดีบ้างแต่ในขณะเดียวกันคนก็อยากดูความพิบัติเดือดร้อนที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามมีความอดทนไม่โกรธโดยนิยากล่าวแล้วก็จะทำหน้าที่บรรทอนตัดรอนความรุนแรงของความรู้สึกเหล่านี้ออกไป ใจก็จะกลายมาเป็นกรุณะคือสงสารต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นที่กําลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจนอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเอื้อมือเข้าไปช่วยเหลืออบอุ้มให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขากําลังประสบอยู่แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะได้เข้าถึงใจ ด้ใจได้เปลี่ยนแปลงจากการถูกคุ้มขอด้วยความโกรธ ด, ด้วยความเบียดเบียนเปลี่ยนมาเป็นเมตตาเปลี่ยนมาเป็นกรุณาภายในใจบุคคลนั้นเพราะได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ในเชิงเหตุเชิงผลมากขึ้นแล้วจะจบลงด้วยอวิโรธนะัคือไม่กระทําอะไรให้ผิด จากจารีตแบบแผนประเพณีขนธรรมันทำเนียมกฎหมายศีลธรรมและมโนธรรมสานึกภายในใจเรื่องระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีนั้นเป็นรูปแบบมีสักขีพยานมีบุคคลรู้เห็นเป็นพยานอยู่การไม่ทาผิดในลักษณะนั้นบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดเพราะความกลัวก็ได้ กลัวถูกตำหนิกลัวจะผิดกฎหมายแต่ถ้ามไม่กระทำให้ผิดโดยอาศัยมโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจเองเป็นการควบคุมตัวเองได้คือไม่ทำผิดทั้งต่อหน้าคนในรับหลังคนโดยความสำนึกรับผิดชอบเต็มที่ที่เกิดขึ้นภายในใจว่าอะไรควรเว้นอะไรควรปริพฤติ ธรรมะเหล่านี้จึงเป็นฐานของการดำรงชีวิตในระดับสามัญชนทั่วไปและเป็นหลักของผู้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆจะสถาบันครอบครัวเป็นต้นไปแต่ในขณะเดียวกันเป็นอุปกรณของการปฏิบัติกรรมาฐานทั้งหมดเพราะธรรมะบางระดับนั้นเป็นเรื่องขั้นของอินเสียสังวร แต่บางระดับลงมือขัดเกลากิเลสในขณะนั้นๆซึ่งหมายความว่าล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดความสงบจากอากุสนทุจริตต่างๆได้จากความเกียดคร้านจากความโกรธจากความประทุษร้ายจากความเบียดเบียนจากความหลงเป็นต้นได้ในระดับนั้นๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการพิเศษในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สืบสาวไปได้ไม่มีสามัญชนคนใดที่มีลูกเป็นเจ้าแผ่นดินได้ถึงสองกงในประวัติศาสตรน์นี้แต่พระองค์ท่านก็มีในด้านประชชนมายุก็มีประชชนมายุยืนนานด้านสุขภาพพลานามัย ก็มีสุขภาพพารานามัยแข็งแรงในด้านพระไทยนั้นประกอบด้วยธรรมะเป็นอนเนกประการและธรรมะที่กล่าวมาแล้วนั้นก็มีอยู่ภายในพระไทยของพระองค์แสดงให้เห็นทั้งเชิงพฤติกรรมคือสแสดงออกมาได้ทางาการกายทางเอาการวาจาเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ภายในพระไทยแล้ว ดังนั้นการบูชาต่อคุณความดีของพระองค์นอกจากจะดอมอุทิศกุศลตั้งการละยาณจิตที่กรอบด้วยเมตตาที่กรอบด้วยความกตัญญูเพื่อให้พระองค์ท่านดำรงประชนมายุยืนนานปราศจากทุกศโศกรกภัยแล้วธรรมะเป็นขนทางสากลที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนใดบุคคล เมื่อใครก็ตามน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็จะสัมผัสผลตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทํำลงไปแต่นั้นคุณธรรมทั้ง5ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมานานแล้วคนเป็นนั้นมากเดินไปบนเส้นทางสายนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วและใครจะเดินไปอีก ผลก็คือความสาเร็จเช่นเดียวกันแต่ผลย่อมจะแตกต่างกันตามสัสดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าใครประพฤติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ต่างก็จะสามารถสัมผัสผลแห่งทำนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อจตกนี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป